พุทธเจ้าของเราตนี่ยถว่าเคนที่สุดยอดคือสามารถที่จะสรุปให้พวกเราฟังสามนาทีห้านาีรู้เรื่องคือจบเลยไม่ยาง่ายอธิบายได้ชัดแจ้งโดยเฉพาะคือเราไม่ต้องไปดูที่ไหนทั้งหมดู้วยตัวเเพียงแต่ว่วา เราไม่ไปดูเขาเมื่อไม่ดูมันก็ไม่เห็นจริงหล่านี้แต่เราก็ยังพอใจคิดตัวเองว่าเราเห็นเห็นก็เห็นด้วยตาหน้าตาหลังนี่แหละเราเห็นด้วยสัญญามันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเนี่ยคือปัญหาของผมของมนุษย์สุดท้ายคือคิดตัวเองรู้แล้วไปแสดง อ, งองความรู้ เป็นองหรือเปล่าคำาองเราต้องมีหลากหลายัวออกมาเป็นหนึ่งเดียวจะรู้ว่าองความรู้ม่เชลรูอะไรอันหนึ่งก็พูดจะรูปปั้งเนื้สื่อสารออกไปความี่นาศมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วม่เชลมีสมัยนี้ พรฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้วินัยของพระคงไม่มีวินัยพระเคยเขึ้นกัเพว่าพระไปล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ไปทำสิ่งเหล่นี้ผู้จอกับบัญญตัติคือห้ามต่อไปห้ามทำอย่างนี้นะอันนี้เป็นต้นจะกลายเป็นวินัยนีคือวินัยบัญญตัติอ่ะแล้วก็กลายเป็นโค กฎกติกานักจากนั้นก็ไม่ทำเป็นตัวกำกับวินัยอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นใครที่เป็นล่วงละเมิดทำกับวินัยแม้ด้วยเจตนารู้ไม่เจตนาก็ตามผู้นั้นถ้าป็ทําลาอะศาสนาต้องลายรพุทธเจ้าสาาสดานาโดยไม่รู้ตัว มันไลยแรงขนาด น, นั้นเพราะอะไรเพราะ่อนที่พระเจ้าของเราจะบริพารก็ไม่ตั้งใครไว้เป็นโควิดผู้สอนผูศาสดาท่านบอกว่าทมและินัยที่เาราก่าวดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาของผู้เจอทั้งหลายในรับโอ้ในที่ไม่ฟังไปกาตัจากเื่วงหวงละเมิด ก็เพรู้ว่าปรารตใจคุณก็ขาดไปแล้วก็คุณจะไปสอนในขอปราร t ย a ใยังไงตัวคุณเองก็เป็นลวงละเมิดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของทรรมกับอยู่ในคือถ้าทุกคนไม่มีสติอะไรทั้งหลายเหลืที่จะตา ม, มาอีกเยอะๆยะมากมายบรรยายไม่ถูก นี่คือความคิดว่าคนไม่มีสติคือมีสติน้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้มาสาคัญที่สุดก็คือสตอนินี่แหละคนเราจะพูดเสมอว่าสติประกาศหาที่ตั้งของสติสติมันตั้งยังไงทงายยะะําังไงจะเห็นสติง่ายที่สุดก็าอานาปนานสติ กาวัสติเสร็จแล้วตามด้วยอานาปณะสติอาณาปณะดีคือลมหายใจอย่างูดียวแต่เป็นคําที่พระบัญญัติเอาไว้ว่าอาณาปณะสติเ น, านี่ยถ้าใครทําเยอะทําบ่อย ท, ทําตีทําต่อเนื่องจะรับอรรถผลอย่างได้อย่างหนึง่งหรือขั้นสูงสุดจนรู้แจ้งในจริงตามความเปจริงอันนี้คือจุดเริ่มต้น เพระนนอาณาปารถิม่ได้แค่ดูลมหายใจเท่านั้นการพูดพูดเสมอเบื้องต้นคือสติเบื้องต้นคือตั้งสตินี่แหละคื อ, อยังไงก็ได้ให้สติอยู่กับตัวก่อนอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดลมหายใจสัญลักษณ์ของการลมหายใจคือจ ม, มกูกที่มันเข้ามันออกก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหนมันไม่มีแล้วคือกําหนด ดูลมหายใจครับลมหายใจซึ่งเราเข้าใจแล้วลมหายใจคือลมเป็นยังไงมันหายไ ป, ปยังไงเหลือแต่ใจเป็นยังไงต้นเกิดปัญญาใช่ไหมสติสุดท้ายต้องกำกับด้วยปัญญาเสมอท่าทุกเรื่องทุกอย่างขั้นตอนการพิจารณากระบวนการที่เราพิดคณาจะเรียกว่าสมาธิหรือภาวนาก็แล้วแต่ถ้ามัดจบอย่างนี้จะรับประโยชน์อานิสงส์สม สติก็แปลว่าเราจะรู้เอเอเจริญดีดีขึ้นความตื่นปาะมาณตั้งเพอกิจกรรมทางกายทางราจาทางใจที่เคยทำมารู้สึกว่ามันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะเรามนสติเขารู้ต้อมประกร ข, ขนาดนี้เทียวนี้เป็นยังไงหลังจากนั้นครอบครบวการแล้วคือมีสติแล้ว เราแค่ก <inadvert> ็บอกมีสติมีสติแล้วลมหายใจแล้วหเลยใจใจแล้วแใจคือจิตกําหนดเองเป็นคำแรกเราเข้าใจแล้วคำว่าสติต่อไปคือกําหนดให้เข้าใจเรื่องรูปกับนามเขายโยกง่ายๆอันนี้แต่พูดง่ายๆคือกายสับใจคาพุตโตเรียกคือธาตุทั้งสี่คือดินน้าไฟลมแล้วก็ขัน รูปเวทนาทุกอย่างทุกอย่างทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราจิตตักก้งกหนดพวามรักสติปัฏฐานเก็ดตั้งอยู่ตรงนี้คือฐานของสติเริ่มต้นฐานของสติในตําราองกายกายก็คือดินน้ำไฟลงแหละมีเสื้อรูปจะเข้าใจตัณฐ์กายะคตาสติทุกอย่างเล้เป็นความเป็นของกายกายเวทนา สัญญาสินะคะสั ญ, ญ, ส ญ, ญคือ4ีตัวที่หลังมันก็เนื่องจากมันอยู่กับสติถ้าไม่มีกายเวทนาหรือสี่ตัวมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นผู้เป็นคนไม่ได้เราก็เียว่าตายสี่ตัวมันแตกสลายไปมันแยกไปไม่สามารถที่กันอันนี้คือ่ากำหนดกายคือกำหนดรูปแล้วก็กำหนดนามก็คือสี่ตัวนั่นเอง กำหนดกายก็ให้รู้เรื่องของกายกำหนดจิตก็ให้จะรู้เรื่องของจิตจริงๆสภาวะของจิตเป็นยังไงให้เราอยู่อยู่ในจุดต่ออยู่ในกหนดกายกำหนดจิตกำหนดกายกำหนดจิตกำหนดโรคกนหนเพื่ออะไรวัตถุประสงค์สุดท้ายคือเพื่อให้เห็นว่ารคก็ดีนามก็ดีกายในจนาที่ทำดีทั้งหมด ที่เป็นท่าเสียกันห้าเนี่ยไฮมุ่งประตสุดท้ายคือใจรักทั้งหมดลักษณะมันเป็นอย่างนี้มาถึงจะเกิดปัญญาเมื่อใจรักเกิดขึ้นคืออ น, นิยางลึกของอานาตานั่นเองจะเป็นธรรมเทศนากันที่สองหรือยาวเน้นยำ้ำถ้าเราเข้าใจกระบวนการตังจจ้งแต่ต้นจนจบตรนีคือให้มันจบที่ใจรักทุกอย่างก็จะจบหมด แต่ถ้าเราเจบแค่รูปมันก็จะไปที่รูปถ้ากึ่งแค่น้ำมันก็จะถปท่ อ, อาลูปคือยังติดอยู่เช่นกึ่งหมดชารูบชาลางารู ป, ปชาลางคือรูปกับน้ำแหละแต่ติดมันก็ยังไปคล้องอยู่ที่รูปกับนามเพื่อมาให้มาคล้องคือตัวทําลายตัวอวิชยัยตัวทําลายสิ่งเหล่า น, นี้ตัวที่ทำลายตัวไหนก็คือแต่ลักแต่ว่าต้องมอง ด, อด้วยสติปัญญา มองเห็นปัญญาคือปัญญาเริ่มต้นมาจากหนกลับไปที่เดิมคือสติถ้ามันมีเติ่มต้นในสติปัญญาก็ไม่เกิดเริ่มต้นเอาสติกําหนดพิจารณาทุกเรื่องที่ผ่านกาันตอนมาลมหายใจรูปนามคือดินนละไฟลมคือธาตุแล้วก็ขันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มองทุกอย่างไนเะป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายก็แยกรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ สุดท้ายรูปกับนามทั้งหมดสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ายังไม่รูปอยู่ก็ติดมันก็ยังคล้องในรูปอยู่อุปัตยังนะเรียกอุปัตยังนะแต่เป็นชื่อถ้าจิตเราไปเข้ากันในานามที่มันยุ่รูปรละเอียดมันก็ยังคล้องอยู่ในนั้นแหละอาจจะดีหน่อยอาจจะไม่กลับมาอีกไปต่อคำหน้าแต่ก็ยังมันยังคล้องอยู่แต่ตัวเองไม่รู้มันคล้องไมรู้มันติดเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรคือทําลายตัวนั้น โดยใจรักของขาเป็นไตใจรักทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ดับไปสุดท้ายมันเคยแยกย้ายกันไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไปไปลมเป็นลมให้เขา้าใจตรองอย่างนี้ก่อนเราจะได้ไม่กลัวจะได้ไม่กังวลจะได้ไม่ไไมยึดตกจะได้มีแนวความคิดชัดเจนว่าโอ้รูปนามต่อไปเ่งสุดท้ายปลายทางเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นใจลักเป็ปลายทางของมันเพราะถ่านมีกําลังจิตของเราไม่อยู่ในกระบวนการอย่างเนี้ย อย่าไปพูดถึงเลยคันนั้นกันนี้ขันนู้นมันนอกโลกนอกทางทั้นั้นเลยอยไปพูดเลยว่าสมาธิไม่มีความสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าสมถะเป็นการแก้ความผูกสั่นรําคาญที่มันไม่อยู่ไม่หยุดไม่หอ่อนตัวสมถะต้องรแก้ตรงนี้ต้องการให้สังเกดความสงบระงับตั้งมั่นก่อนอยู่กับอารมณ์อันใดก่อนนั่คือคําว่าสมถะ สมถะแก้ความผุงซ่านสวนวิวัสนาแก้ความโง่ความโง่คือมันไม่ีปัญญาแต่นั้นเบื้อหมายพบจุนมา ค, าคือปัญญาคือตัวขบวนการที่เราตั้งต้นเอาไว้ที่นีคือสติเรามาใจปัญญาเมื่อปัญญามาเกิดมันทาลายความโง่คโ ง, ง่คืออะไรคืออวิชชามันไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจที่มันโมหะอันปิดบงัง ชั่วนาตาตีไม่ได้มีความเข้าใจตัวเราเองก็คือท่าเสียกันทาอันนี้กระทั่งการปฏิบัติก็คือตการให้เห็นตัวเองวิปัสนาคือเห็นตัวเราเองไม่ใช่เห็นคนอื่นเห็นอื่นไปเพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นตัวเราเองแหละยิ่งเห็นเยอะเห็นบ่อยเห็นทียิ่งดีมันจะเป็นประโยชน์ในการละทอนปล่อยวางเห็นนี้กลับปฏิภูบอื่นมิธีอื่นเขาไม่ได้มีอย่างเรา แปลว่ามันไม่มีกายหยาบอย่างพวกเราเขาไปพเพื่เสวยอย่างเดียวอธิบ า, ายซ้ําแล้วทำอีกว่าระหว่างเรื่องรูปกับนามรูปกับนามถึงมันมีแค่เวทนาสัญกาณอย่างก็จริงแต่มันต้องอยังอาศัยรูปจิตตระกังเกาะรูปไว้อยู่แต่มันเป็นรูปละเอียดรูปที่จริี่เกิดจากจิตมันสร้างขึ้นกิดจาความจําหรือสัญญาณนะ รูปเวทนาสัญญาสัขงขารเนี่มันทำหนะ้าที่ของมันอยี่ตอนนี้มันเชื่อมโยงนะกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันยากที่จะไปต่อแต่ถ้าเราเข้าใจเราพริจารณาเรืออร่ลยเวลาเรานั่งเวลาพิจารณาเวลาเรายืนเวลาเราเดินมันจะมีเรื่องคิดเยอะออกจากเรื่องกายอาจจะเป็นรูปเรื่องนาม เอาจังกายก็รู้อยู่ที่เวทนาเชียนรูเน้เวทนาเวทนาอยู่สัญญาที่เป็นสัญญาสังขารอินญาหานีอ่อิตนตอนสุดท้ายประธานต้องเป็นใจรักนะต้องมาจบที่ใจรักนะแต่บอกว่าถ้าเป็นนิมิตถ้าเป็นนิมิตคือรูปถ้าเป็นนิมิตคือขึอ้นนี้่ว่าจะเป็นรูปก็ตามเสียงก็ตามเพลงต่างๆจะต้องเสียงนานะมันดับไปให้ได้เพราะเราต้องทําเสียงไว้ให้มันชํานานก่อนถามพระเจเริวว่าสี ทใำนนให้มันช้ำนาญให้มันทิ้งานคือกําหนดนั่นแหละทึ้งบอกกำหนด ก, กายก็ให้รู้เรื่องกายกําหนดจิตก็รู้เรื่องจิตให้รู้ละเอียดไม่ใช่รู้สัพเพคว่ารู้รู้จนเรียกว่ารือ้อถ้าเป็นรถรื้อทุกอย่างออกร่างกายแล้วก็เช่นเดียวกันหรือคือแยกกนออกว่ามันจะดินมันจะ น, น้ําไปอย่างนีนง้ทุกอย่างทุกอย่างเราบอกว่าแก่งหาะตัวที่เราคิดเหมือนแก่งหาะ ตักเข้าปากเสร็จก็บอกว่าอร่อยไม่รู้ว่าอะไรมันอร่อยน้ำอร่อยเนื้ออร่อยพริกแกงอร่อยผักไปดูรูแต่เดียวว่าอร่อยคำเดียวแต่ความอร่อยมันมาจากหลากหลายบอกถ้าน้ำเบาน้ําอร่อยต้มแต่น้ํามันจะอร่อยไหมบอถ้าไก่อร่อยอร่อยต้มไก่อย่างเดียวไม่ต้องใส่แล้วอร่อยไหมมันเกิดปัญญาแต่วันปัญญาไม่เกิดไง ใส่เข้าปากปั๊บมันมันโทษไม่ได้ลิ้นมันที่รับรสเราจะมันก็จะลายงานผลหว่าเป็นยังไงเปรี้ยวหวานบางเข็มใจมันก็จะเออความชอบไม่ชอบนี่ยกระบวนการเป็นอย่างนี้แต่เราขาดการพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละเรื่อ ง, องมันจะไม่เกิดปัญญาต่างตางที่เขาพยายามที่จะสอนเราให้เกิดปัญญาทุกเรื่องทุกราวทุกขณะแต่เราไปไม่ถึง เราก็ได้กันได้ความอร่อยแล้วก็จบรู้ได้แค่ความชอบแล้วก็จบความไม่ชอบแล้วก็จบล้มันจะอยู่ตรงนี้มันก็เรียกคือเรียกวิตวนานั่นแหละเวทนาก็คือสุขะทุกขะอุเปกขะแต่เวลาเราปฏิบัติคือนั่งสมาธิมันเป็นอุเปกข์เวทนาคือวางวางความชอบความไม่ชอบนั้นนั้นปฏิบัติเราปเป็นสวยเวทนาการเสวยเป็สวยอารมณ์ เราก็ไปติดตัวอยู่เสมอได้ไหไปติตัวทุกขะตัวทุกขะตัวที่เป็นอุปเเกรห์ตัวเฉยๆมัจะเรียกว่าระวางอุปเเกรห์เด้๋วระวังอารมณ์แล้วอารมณ์ไหนที่ต้องระวางเพราะสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าอารมณ์คือของยินดีที่เรารับมาแล้วมันยินดีเรียกว่าอารมณ์อะระมะระมะแปลว่ายินดีอานกันทั่วไปจะเรียกว่าอารมณ์ที่เรารับมาแล้วเกิดความยินดีเกิดความพอใจ แล้วก็วางมาได้แล้วไม่รู้ว่าความจริงของมันคืออะไรจริงๆแล้วก็คือธรรมชาติของเขาอันไม่ได้เกี่ยวกับดีกับชอบอารมณ์ปกติของเขาเหมือนตอนนี้ดินผ้าอากาศมาถึงดูๆเขาก็เป็นเขาอย่างนี้แหละถึงเวลาร้อนเขาก็ร้อนถึงเวลาหนาวเขาก็หนาวอย่างนี้อันนี้คือธรรมชาติของเขาพอถึงเวลาเขาก็เป็นอย่างนี้เพศแต่เราอย่าไปอยู่อยไปยุ่งเราคือรูปเนี่ยอย่าเอาไปเกี่ยวไปค้องกับเขา เราก็แยกกันออกเอิถ้ามันอยุดเราไปตากตากแดดเป็นยังไงตากฝนไปยังไงปล่อยมันหนาวไปยังไงใช่ไหมสภาวะมันเป็จใจวยแล้วเนี่ยเวทนามันก็ทําหน้าที่ของเขาทามันทุกยากระบากมันเย็นก็บอกว่าเย็นถ้ามันร้อนมันก็บอกว่าร้อนมันรายงานให้เรารู้กันอนะแต่ใจมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยปนกายกับใจถ้าเรายังไม่รู้จักดีพอเนี่ย ก็ให้เรารีบเร่งพิจารณาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเอออยากจะได้ก่อเรื่องกายเรื่องใจแต่ถ้าใครภาวนาเป็นได้เนะี่ยวิจิตตมันสงบถึงที่ถอนตัวออกมามันจะรู้มันจะบอกเองว่าอันนี้กายอันนี้คือใจเอราเริ่ ม, ม, มภาวนาเป็นวะอันนี้เวลามปนความสุขก่อทุกข์ึ้นมันก็จะรู้อันนี้ทุกขวขงกายนะอันนี้มันทุกข์ของใจนะไม่ได้ไปไปป น, นกันหมดอ่ะเพราะนักที่บอกว่าทำไมต้องให้กําหนดกายคุณต้องการให้รู้ กัในเป็นเรื่องของกายกําหนดใจก็ให้รู้อันนี้คือเพราะเรื่องของใจนะแต่คนภาวนาไม่เป็นจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกําหนดไม่ได้ว่าอะไรคือกายอะไรจะเมื่อกําหนดไม่ได้ก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่สามารถที่จะปล่อยซึ่งเหลนี้ตามทางมดังก็คือติดอนี่ไม่สามารถวาเพราะปัญญามันไม่เกิดมันไม่เกิดปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ มือวางไม่ได้ก็แปลว่าอะไรถือมันก็ต้องข้ามกับวางถ้าวางไม่ได้ก็แปลว่ายังถืออยู่เอยังแบกอยู่คือแบกขันตัวเองนั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวเองว่าแบกแบกไปแบกมากอย่างนีน้ไม่รู้ว่าแบกอะไรด้วยทั้งไปมแตะทุกความปล่อยก็รู้ว่าทุกหนักทุกเบาแค่นั้นแหละว่าก่อนนั้นนที่มันอยู่ในตัวไม่รู้องาเป็นทุกอยู่ในกระเพาะอยู่ในป้อนเข้าปาก ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทุกข์พอปล่อยออกมาจะรู้อ่านันทุกข์หนักอะไรทุกข์เบาปล่อยไปสัากพักเฉยไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นเกิดกาเป็นเรื ป, ปกตินะพอไม่คิดว่าจะเป็นทุกข์ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหานะใจของเราก็เหมือนกันอยู่วงเวียนอยู่วัฏฏะสงสารอันนี้พอคนไม่คิดอ่ามันเป็นทุกข์ก็นะเจอสุขหาเข้าก็เปลี่ยนใจมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่คือเราก็ต้องการนะ ก็ไปเกาะอยู่สุขะเพื่อสบายอันอยากสบายเนี่ยก็เอาพระพุทธเจ้ามาว่าทีนี่อันถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรต้องฟังพระพุทธเจ้าแล้วทำาด้วยเสียจริงท่านต้องการให้เราเป็นยังไงจะเป็นสภาวะทางรัสังขะพ่อแม่ครูอาจารย์เราว่าอย่างไรแต่เอาพุทธมังครูไม่งั้นมันก็จะหลงโมหะครอบงำหลงเพราะหลงตัวเองแล้วก็แสดงออกทีนี แสดงออกตามเตือนรู้ตามรู้ตามเห็นนั่นแหละบางทีเราเห็น ป, ปีศาจเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แสดงออกทางควาคิดการพูดการกระ ท, ทํำสืบทอดต่อๆกันไปทีนี้คนเรามีศรัทธาเป็นพื้นตั้งอยู่แล้วถ้าเกิดศรัทธาลราพูดอย่างนี้ก็เชื่อถ้าคนศรัทธาหรือว่าสายไหนว่าเรื่องอะไรเรื่องผีหรือสานางไม้หรืออื่นๆเจ้าสอวก็สม กูสาดินเดนไปหาเขาเขาพูดยังไงก็ต้องเชื่อในคือสศรัทา น, นั่นกันแต่ความเชื่อนะั้นมันไม่ได้สัมพยุ่ด้วยปัญญามันไม่ได้จบที่ปัญญาปัญหาอยู่ตรงนี้พราะเราไม่ที่มันทําไมถึงไม่เกี่ยวด้วยปัญญาครับเพราะว่าเราไม่ใช้ปัญญาเลยอะใช้ศรัทธาอย่างเดียวแค่ความเชื่ออย่างเดียวแล้วความเชื่อนะั้นมันไม่ได้เชื่อโดยตัวเองไม่เชื่อคนอื่นเขาแล้วไม่เชื่อตัวเอง แห่งความเชื่อ น, น่าจะลงที่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอาารยิยสงฆ์คือพระรตนาตราท่านให้เชื่อในพารตนไตรคนนั้นไม่ตมีอะไรต้องเอาพรารตนาใจเป็นตัวชีวัดเป็นตัวบอกว่าคุณจะพูดอย่างนี้ไห้แต่อย่างนี้ไหมสอนอย่างนี้ไหมครูอาจารย์สอนนั้นแล้วสภาวะทรรมึดเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยมาดูเรื่องตัวเราเองเราก็จะจะขอจะฟัง คอยแต่เชื่อคนอื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเรื่อว่าที่พึ่งทางใจที่พึ่งข้างในถ้าพูดงง่ายๆก็จุดยืนของตัวเองไม่มีก็อาศัยจุดยืนของคนอื่นเขาเนี้ยอันนี้คือมันไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้เห็นเข้าใจกระบท ก, การตั้งแต่ต้นนะเออเราจะเข้าใจได้ตนเองเพราะครูจะสอนเนี่ยให้เราสอนโดยแก้ประโยชน์ด้วยตนเอง ไม่ใช่มันมีใครทําให้เราเป็นอย่างนั้นได้ถ้าให้ได้พูะเจ้าให้หมดแล้วที่ผ่านมามันใากันไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าถ้าอยู่กับข้าพเจา้าในสารดาเดือน5เดือน7เดือนเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนเอาอะไรมารองรับมั น, มนไม่มีแม้แต่พระองค์เองก็ไม่ได้บอกเป็นองค์เป็นบอกแค่แต่ว่าถ้ามีคนบารมีพุทธทานมาแล้วต้องเล่นว่าก็มีบารมีด้วยพื้นฐานมากรอะ อย่างนั้นก็หนึ่งสามเจ็ดชาติแต่นี้เป็นตอนทั้งการรับรองแค่นี้ไม่ได้แปลว่าทำแล้วต้องทายทุกคนมันได้แน่นอนอย่างนั้นก็ไปต่อยอดคือเข้าใจและช่วยกันคือไปดีแล้วก็มาดีอันนี้คือที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ไม่ได้รับรองถึงยกระดาษว่าโอ้ถ้าทำแล้วก็จะพ้นหมดทุกคนไม่ควรไปไปไ ป, ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ทำแล้วมันไม่เกิดปัญญาได้แต่ศรัทธามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็จะเป็นต่อๆกันไปอย่างนี้ไม่สุดที่สุดเพราะเราไม่ยึดเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ยึดยังไม่พอไปโจมตีไปกล่าวหาไปลิดรอนบางตอนบางช่วงซึ่งที่เราไปลิดรอนเราก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรโดยรากศัพท์ที่แท้จริงอมาอยัางไงไปยังก็ไม่รู้ ก็คิดเอาเองถ้าเป็นภาษาเราแม่จะสร้างตราสร้างยี่ห้อสร้างแบรนด์เพื่อจะได้มีแบรนด์ในยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อพุทธเจ้ายี่ห้อพุทธศาสนาดีที่สุดแล้วมันต้องไปทำยี่ห้ออื่นอันนี้ดีที่สุดแล้วต้องไปทำไปทำยี่ห้อแข่งกับพุทธเจ้าไม่มีใครจะแข่งกับพุทธเจ้าได้คนที่เป็นพุทธเจ้าได้ บำเพ็มากีกับกีกันกี่พบกีชาติถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครไปเทียบเท่าไปแสดงตนมันไม่ใช่เพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวงถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ผู้เราก็พึงพิจารณาด้วยปัญญาว่าห่างๆว่าอะไก็ดีเพราะว่าทุกรายที่เป็นรักษไรยอย่างนี้สุดท้ายก็หายชนะ ถ้าที่เห็นมานะหายอนะก็ถึงระมัดระวังเพราะนั้นครูอาจารย์ที่เรามีอยู่นี่องก็เพียงพอแล้วด้วยสติปัญญาที่เรามีอยู่ก็เพียงพอแล้วในการศึกษาในการปฏิบัติให้เข้าใจมันไม่ได้เลือดซับซ้อนเพียงแต่ว่าความต่อเนื่องความเข้มข้นมันยังน้อยอยู่มันยังไม่ต่อเนื่องมันยังน้อย มันไม่สม่ำเสมอเหมือนกินข้าวคําสกัดแจ้งมันอิ่มเป็นไปไม่ได้มันต้องอยู่ในปริมาณที่มันเพียงพอช่วร่างกายพอกินข้าวไปแล้วเสร็จมันก็หมดไปมันพลังของเราพลังของจิตพลังของปัญญาพิจารณาแล้วใช่ไว่าพลังของสมาธิมีน้อยต้องเพิ่มคือมันเกี่ยวเนื่องกันหมดจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยไ ม, ไม่ได้บางคนไม่ต้องนั่งสมาธิ เ, าเกิดอะไรขึ้น ในทํางผู้เจ้าไม่สอนหน้ามาที่เลยเรต้องกลับมาอย่างนี้ก่อนถ้าสอนอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ทําเกิดขึ้นเป็นขึ้นที่มีอยู่ในขณะนี้ทุกวันนี้แล้วถต่อไปถ้าเป็นขยายผลวงกว้างอกีกมันก็จะที่หนักที่ถ้าเรายังไม่มีการเรียนรู้องค์ความรู้ยังไม่พอโดยเฉพาะในทางปฏิบัติถ้าการปฏิบัติจะไม่มีความสงสัย คนปฏิบัติอินางแท้จริงจะไม่สมีความสงสัยแต่ที่สาคัญคือท่านทําเพื่อไม่เอาทำเพื่อทิ้งมันไม่ทำเพื่อความนัทธถูกอนิผิดนัทธ์ได้นัทธ์ไม่ได้นัานา์ใช้นั้นไม่ใช่มันไม่มีเพราะเราทําแล้วคือไม่เอาทำแล้ววางสำหรับคนมีสติปัญญานะต้องยําว่าสติปัญญาสออย่างทำหน้าที่้องกันเรื่องศีลไม่ต้องเป็นห่วงก็นั่งเมประหลาดเป็นศีลทันทีแต่จะไม่ห่วงเรื่องศีลมาก โดยเฉพาะก็สติปัญญาเนี่แหละร่างกระบวนการขั้นตอนตั้งตต้นจนจบือเกิดเห็นทั้งสติและปัญญาตัวกลางแล้วแต่วิธีการคือสติปัฏฐานก็ดีปััสนาตัวกลางแต่สุดท้ายประธทางมันต้องเป็นปัญญาปัญญานั้นก็คือใจลักต้องลงอยู่ในใจลักเท่านั้นถึงจะเป็นไปด้วยความมักผลนิพพานหรือด้วยความ รู้ยิง่ ง, งจริงๆตามความเป็นจริงราะนั้นถ้าใครยังไปไม่ถึงตัวนั้นยังกายกยังไม่รู้เรื่องอยู่คือรูปอะไรแหละนามอกสี่ตัวยังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ยังอ้า ง, างเมื่อไม่รู้เรื่องก็แปลว่าอะไรเราก็ยังหลักยังหลงยังติดอยู่จริงๆแล้วกิมาเรียกว่ากินเละได้ไงแีบนี้กินไปเรียกว่าโลภะตัวเส้ามันไม่ใช่กินเละมันคืออะไรก็เพราะสามตัวนี่แหละทำให้มัน เป็นตัวไฟที่มันคุมโลกเผาโลกอยู่โลภะโตสะโมหะแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วถ้าจะเรียกราคะโทสะโมหะพุะอาจารย์ท่านบสอนเฉินวาไนี่คือไฟไฟที่สูงพวกเราอยู่ถ้าไฟพวกนี้ยังไม่ดับเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ต่างึ้นกันในใจใคก็ต่างไฟพวกนยังลุกคุโชนอยู่ เราไม่ดับมาเลยไม่ยอไม่ยอมให้มันผ่อนเลยไฟเรานี้มันก็จะเผาเราตลอดคือตรงนี้เพราะนั้นคำว่านิพานจะเป็นคำที่เย็นเยือกมากๆถ้าจริงแปลว่าดวงต้นง่ายๆคือดับดันเราดับคือดับนี่แหละดับไฟสามกองนี่แหละยิงแปลว่าเย็นเพราะมันดับแล้วมันก็จะเย็นกลุมไม่ร้อนมันจะหยุดในระดับใดระดับหนึ่งหรือว่าผ่อนลงเหมือนฟืนเหมือนไฟ เรารู้ถ้ามีฟืนมีไฟเมื่อไรมันร้อนแน่นอนเอออย่าไปเติมฟืนที่มันอยู่ห้องก็จะค่อยหมดโดยธรรมชาติค่อยดับลงไปแต่อย่าไปเติมอย่าไปจุดใหม่อีกแต่เราไม่ใช่จะไปเอาเชื้อเอาฟืนไปไปเติมมันก็ไปจุดมันก็ลุกอยู่ตลอดเวลาพอลุกเสร็จสภาพมันเปนยังไงมันก็เผาเผาอะไรเผาตัวเอง มันไม่ได้เผาคนอื่นนะเผาตัวเราเองเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเผามันก็จะร้อนโทรศัพท์ก็ขึ้นกัร้อนราคะาขึ้นกับร้อนมาขึ้นก็ร้อนตัวเราเรามันจะเรียกตัวจริงๆแล้วมันร้อนตลอดเวลาเพราะเราไม่หาความเย็นมาดับคือไม่ทําให้ปัญญานิพานคือดับวันนั้นนิพันต์ไม่ได้ไปสภาเป็นบ้านช่องห้องหอหรือสวรรค์หรืออะไรที่อื่นแล้งก็ให้จิตสภาจริงเราเนี่ยดับ จากไฟสามกองนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นให้รู้นี่คือราคะนะทุสานมหานะษษานะราคะทุสานถ้ามันมีรูปมันจะอยู่ได้ไหมมันจะเพึ่งหนยโลภะทุศถ้าไม่มีรู ป, ม, ม, รปมันจะอยู่ได้ไหมก็กลับมาที่รูปกับกำหนดรูปโอโหนี่โทษของททษโทษของการมคุณเห็นไหมพระราคะาคือการมกุลโทษการมคุลมัาถ้าเรายังอยู่ใน กามาคุณรู้ ก, การมาพบคือพบจิตกรรมมันก็จะกลับมาที่นั่นแหละที่การมาพบนี่แหละอรูปมพบถ้ากินครองอยู่็กอง์ฌานมันก็จะไปที่อรูปรบบอรูปแบบพบแต่มันก็ยังติดอยู่ในรูปอรูปนั่นแหละโดยความมายมันจะไม่รู้มันได้แค่นั้นมีความรู้ศาสตราจารอื่นเขก็สอนสอนได้เขาสอนได้รูปฌานอารูปฌานแต่ได้แค่นี้น แล้วก็จะถือว่าไม่สามารถที่จะไปต่อยอดคือปล่อยเพราะว่าปล่อยไม่ได้พรูปประชานกับอารประชานจิตมันก็ไปเข้ามันถือว่าเก่งมันจะมีอิธิริทธิธ์อิติปฏิหารและก็โมหะตามมาที่นถ้าว่างทีน้อยๆก็ได้มันจะเกิดปฏิหารระยะที่มนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้มีไม่ได้เป็นมันก็จะมีมันก็จะเป็น พูดอย่างนี้ความสามารถพิเศษทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์ธรรมดาทั่ว ไ, ไปมันไม่มีมันก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นมาหะคือมันหลงเพะหล ง, ลงต<ร>ง<ส>ัวเองเป็นผู้พิเศษโอหนึ่งเป็นผู้รู้กว่าคนอื่นเขาแต่ของคนนี้มันเสื่อมได้มันเกิดได้มันก็เสื่อมได้เพราะอะไรเพราะยังมันอยู่ในหลักใจรักคืออะไรยังดุจังอนาตตาอนที่ว่ามต้องไปให้ถึงใจรักคืออะไรยังดุจังอานาตตา พอเราไปติดอยู่ในรูปอารมณนั่นก็แปลว่าเราไม่สามารถจะคาดใจรักไปได้มันยังคล้องอยู่มันยังติดอยู่มันจะเรียกว่าแต่รักไม่ได้ผู้เชี่ของเราบอทําทไมสอน ถ, ถึงแต่หลักเพระพรองก็ทําให้ดูก่อนจะรไปผ่านเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่คือรูปฌานแล้วก็อรูปฌานหลังจากนั้นก็ออกจากรูปฌานปุถุชนคนธรรมดาคนอื่นตามไม่ได้เช่นไม่ได้เก่งขนาดไหนก็ตามไม่ไรว่าจิตตนจะไปไหนต่อ ถ้าจะไปรู ป, ปชาติรู ป, ปชาติอยู่ตามไปดูตามไปได้ไปเห็นได้รู้ได้เป็นเป็นไปได้แต่ถ้าออกจากรู ป, ปชาติรู ป, ปชาต์นะไม่มีใครตามไปไมีใครมีใครในโลกที่สามารถตามไปได้นะในี่คืการเพราะฉะนั้นการที่เราทํากระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบก็คือหนึ่งก็คือสติสําคัญที่สุด ถ้าปราศจากสติแล้วท่ออะไรไม่ได้เลยกาหนดสักนาทีสองนา ท, นาทีเดี๋ยวไปเที่ยวต่อแหละมีสติอึ้งกันแต่ให้ต่อเนื่องเ้าเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องดึงกลับมาให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทํำสิ่งเหล่านี้มันชํานาญขอนั้นมันมบ่อยตอนมันจะมีกําลังท่านเป็นกําลั ง, างเป็ น, ลปนพ ล, นลังเมื่อมันมีกําลังจะไปทําอะไรได้เหมือนคนเรารูปร่างหน้าตาแข็งแกร่งน้านหนักเท่ากันหมดแต่ไม่มีกําลัง มันยกของไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำงานไม่งได้กำลังนี่งจิตก็เหมือนกันถ้าเจตเราไม่มีกำลังคือไม่มีพลังเจตมันจะทำงานยังไงจิตมันอ่อนแอไม่มีกำลังเหมือนคนเป็นโรคอุบัตภัยอ่อนเพลียเพียแรงก็ทำอะไรไม่ได้รู้คิดได้แต่ทำไม่ได้นะนี่คือข้อตต่างแต่ถ้าคิดได้ด้วยทำได้ด้วยนั่นคือจิตมีพลัง คือมีพลังเจ ท, ที่มีพลังได้ครับต้องกระบวนการมราต้องอยู่กันกระบวนการของสติจนเห็นสิ่งของเลยแล้วก็บรรลุเป็นธรรมชาติาะจึงกับเป็นดินนะำเป็นน้ำไปเปลงวันหนึ่ง เ, เขาจยแยกแยกกันไปต่างจากกับจกลับไปที่เดิญสภาพวัฏฏิของเขาเท่านั้นแหละส่วนอีกสีตัวเขาก็อุปจิตตัวเขาก็ไปต่อซึ่งมันสําคัญอย่างยิ่งคือไปต่อปไปะไรก็ไปเป็นพบ เในพบจักก็เป็นชาติหรือคือเกิดนั่นแหละจะจะเกิดเป็นอะไรจะเรียกว่าเกิดจะเรียกวติจะเรียกว่าเคลื่อนจะเรียกว่าอุบัติก็เป็นภาษาคำพูดที่ใช้แทนคําว่าเกิดนี่แหละความหมายอันเดียวืใจะเกิดหรือว่าจะจุติจะอุบัติมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากอะไรก็แล้วแต่เกิดจากความคิดคำพวกการทําของตัวเองนี่แหละหรือจากสติปัญญา อ, อยู่ในระดับไหนมันก็จะไหลไปตามภูมิชั้นนั้นๆทั้งจัดอยู่ในประเภทไหนไม่ได้เลยเนี่ยต่ำํำจินเข้ากับใครไม่ได้เข้าประเภทไหนก็ได้มันก็จิตมันก็จะต่ำหยาบหยาบไปไหนก็พวกที่ไม่มีสินนั่นแหละมันจะไหลไปตามภูมิต่ำํำจนนั้นมุดจินอยู่ขุดรูอยู่อยู่ใต้จินอยู่ใต้น้ํมามันต่ําขนาดนั้นนหม จิตอะมันจะเป็นอะไร น, นี้นแล้วมันจะไปเห็นอะไรดินฟ้า อ, อากาศอยู่สูงก็จริงบินได้ก็จริงเดี๋ยวอยู่สูงแต่มันก็ต้องล ง, ลงดินอยู่ดีมีที่อยู่มีที่ยืนมีที่เกาะมันก็ไม่พ้นอยู่ดีมันก็ไม่ได้พิเศษพิสวษอะไรเพราะนั้นต่อให้เราหงอกก็เดินอากาศได้นี่มันก็ไม่ได้พิเศษพิวสวษ อ, อะไรมันเรื่องที่บุญอะไรปครบความสามารถพิเศษท่านั่นเองวัะนั้นพ้นที่ ได้ชานได้อภิญญามันก็มีแค่ความรู้พิเ ศ, ศรรษเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องขอพิเศรรษวิเศรรษใดๆเลยแต่ว่าจะเรียกว่าพอได้แล้ววังไม่ได้มันก็กลายเป็นติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยางไปถึงไตรลักไม่ได้เนะี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาให้ไปถึงไตรลักกันได้แม้โดยความคิดก็ยังดีแตะสุดท้ายปลายทางอยู่เราทั้งรูปเราคือรูปกำ น, น้ําต่อไปมันจะไม่ไมีเราไมนมีเขาเลยนะ มันก็มีแค่จะเรียกว่าดินจะเรียกว่าน้ำเรียกว่าไฟเรียกว่าลมต้งคิดอินนิสอยู่เสมอจิตมันจะได้รู้ว่าโอ้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขามันเป็นแนวทางการเกิดปัญญาปลายทางของารเกปัญญาจิตมันจะละออมันจะได้ปล่อยมันจะได้วางมันจะได้ยึดไม่ถือจะได้เป็นมหาเข้างํามันหลงไม่ใช่เหล่านี้เนะยจิตมันก็สะพาวจิตมันก็ดีขึ้นมันก็ฉลาดขึ้นมันจะเข้าใจสุดท้ายมันโอมันแค่รวมกันามที่เรายึดกันนหะ จะเรียก ว, ว่าคนนั่นนี่นุ่นรูปน้ําพ่อแม่ปู่ย่าตาใจสุดท้ายมันก็เป็นแค่นี้นะเราเพียงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนร่างกายมันหิวก็ป้อนมันเพื่อบำบัดเวทนาถ้าไม่ทําหน้าที่อยู่ไม่ได้ร่างก า, กายก็อยู่ไม่ได้เราก็ทําหน้าที่อีกจะไปทรมาร์ตต้องไปกินมันละป้อนมันไม่ไดต้ตามันเห็นมีหน้าที่มาเห็นจะไปโทษตาไม่ได้ เขาเห็นก็สักตะว่าเห็นตาถ้าเราเห็นแนละ้วสักตะว่าเห็นได้ยินสักตะว่าได้ยินเวทนาเหมือนกันเวทนาสักตะว่าเวทนามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเข้าสู่หลักใจพระราศร akah เือว่าให้พิจารณาอย่างนี้เป็นประจําอยู่เนืงนึงจนเหตุการณ์สภาวะต่างๆเกิดขึนะ้นเราสามารถที่จะปล่อยสภาวะนั้นได้คือไม่ยึดไม่ถือมันเหมือนแต่ก่อน นันไปวัฏฏาวัจิ์ข้าเราพัฒนาแล้วพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าแล้วมาึิสตาวัจิก์ก็ยังดีดีกว่าไม่รู้ตัวเลเหมือนเหมือนเดิมมันไม่อะไรแตกต่างไปเลยแต่ว่าการปฏิบททัติธรรมก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นมุ่งในการปฏิบัติสติปัฏฐานหรือวิปัสนาโดยตมนาแล้วเพราเขามุ่งปฏิปฏัสสาาัยญาณสิบหก ติก็สอนกันมาหลวงปู่เวียงก็ดีลวงปู่ทองก็ดีก็คืออันนี้แหละที่เด็กว่าไปสอบจิตก็สอบอันนี้แหละวิสัยพิบัติญาณบุคคลอันนี้แหละก็ถามว่าขั้นที่หนึ่งจะเป็นอย่างงี้นะก็จะถามเอาข้อมูลลขั้นหนึ่งสภาวะอันเป็นอย่างนี้มาไปถามนางภาวนาแรกไปสอบอารมณ์ไปถามเป็นอย่างเป็นอย่ใช่ไหมเป็นอย่งใช่ไหมซึ่งผู้ถามก็ไปรู้สอาจิตของมูนเป็นยังไงผู้ตอบแลกจะตอบเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วบอกเออใช่แบบผ่านแล้วยันที่หนึ่งประมาณนี้แหละ จริงๆแล้วเราป้อนพริกเข้าปากเนี่ยเราต้องไปถามคนอื่นไหมว่าอันนี้มันเผ็ดนะป้อนเกลือเข้าปากเสร็จต้งรู้ว่ามันเค็ม น, นะคนอื่นเขาจะรู้ไหมก็รู้โดยสภาวะคือสัญญาแต่ทมช่างเกลือมันคือเค็มทำชกับพริกมันเผ็ดเขาจะบอกไปตาอาการอันนั้นแหละแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปถามใครต้อบอกให้มันเกิดแล้วสภาวะอย่างนี้นเกิดขึ้นมันจะรู้เข้ามันเอง ถ้ามันครบท่วนกระบวนการแล้วมันไม่ต้องไปถามมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเนี่ยเรียวปัจจิตตังมันจะรู้ได้ตัวเองถ้ามันรู้เสร็จมันยิ่งเบื่อมันไม่อยากพูดไม่อยากแสดงมันเบื่อที่ว่าถ้าพูดไปแล้วแสดงมันก็จะถามต่อว่าเออถ้าคนไม่เคยกินเผ็ดเือมันเป็นยังไงเดอกเป็นยังไงเกลือเป็นยังไงแกงอาหารนั้นมันก็จะถามเอาแค่นั้นแหละแบบอ๋อมันก็ได้แค่อ๋อแล้วกระจม มันรู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ได้สัมผัสไมไ่เกิดภาษาไม่ได้สัมผัสได้ตนเองแต่เรารู้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นเพราะนั้นการปฏิบัติก็ต้องการให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ตามกระบวนการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบจนวางก็คือแต่ลนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันอยู่สเสมอมันไม่ถึงครับ เข้าใจใจะรักหรือว่างะไได้อย่างน้อยกระ บ, บวนการแนวทางความคิดมันชัดขึ้นรู้แล้วว่ากระ บ, บวนการจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ตามตามกระบวนการแต่มากแต่น้อยไม่เป็นไรวันหนึ่งถ้าจิตมันมันจะเข้าใจเอนโดยสภาวะของเขาแล้วเข้าใจทําไมะก็ว่าท่านรู้ด้วยท่านเห็นด้วยคือเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาดังนั้นเรื่องปรัชนาและการรู้นะตอนนี้เป็นรู้พูดกันล่าต่อไปวางคือ รู้อยู่ในองค์ของใจรักคำว่ารู้เกิรู้ไปเพื่อความละทอนปล่อยวางรู้เพื่อเป็นรู้ไปอันจจังต่าอนัตตาไม่ได้เป็นรู้เพื่อคนยึดความถือว่าข้าในเก่งข้าในรู้ในหนัก้าไปเอกอัตามันยังมีอยู่อัตามันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใจรักคืออนัตตาบงทําลายอัตาอัต่าคือรูปนามนี่แหละของตัวเองนี่แหละไม่ใช่ของคนอื่น นั่นคือสวสาดแต่รักตอนนี้ถ้าข้าเห็นอย่างนี้ได้เป็นแต่รักนี้ได้อาจน้อยแต่ครูอกันไม่เป็นไรขอให้เข้าใจกระบวนการหลักการวิธีการอย่างนี้เราจะมีกําลังใจในการปฏิบัติโดยยึดเอาพ่อแม่รครูอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงถ้าที่สําคัญคือเป็นประสบการณ์ตรงของท่าน ถือว่าดีที่สุดประสบการณ์ตรงมอบให้กันไม่ได้แต่ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเราเองความสงสัยหรือกังขามันก็จะไม่มีมันจะกลายเป็นกังขาวิจารณะคือข้ามพ้นความสงสัยอันนี้ไปได้ซึ่งความสงสัย น, นี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทํำให้เราไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้านได้สงสัยไปหมด สงสัยก็คือคำถามมันจะกลายเป็นโจทย์คำถามปัญหานะแต่โจทย์นั้นคำถามนั้นปัญหานั้นมันไม่มีคำตอบนั่นคือปัญหาเพราะนั้นที่เราทำนั้นให้จนถึงเด่นแลกเพื่อจะได้คำตอบว่าอ๋อที่เป็นคำถามที่เป็นโจทย์ที่เป็นปัญหานะคำตอบมันคืออย่างนี้นั่นคือประสบการณ์ตรงของตัวเราเองจะเป็นการดีที่สุด แต่เรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเ ร, าเรื่องเวทนาเรื่องเจ็บเรื่องทํามันไม่ได้แยกหรอกเรื่องเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายมันแค่พวกคําถามเท่านั้นเองคือกายกับใจแค่นั้นเองถ้าก็จะอย่างตรงกันเสร็จแล้วมันก็อยู่กับกายกับใจได้ตาสะวะมันอยู่ได้ก็อยู่มันอยู่ไม่ได้ก็แล้วแต่มันอยู่ได้ขนาดกันแล้วแต่จะเห็นว่าครูบาอาจารย์ของเราแต่และรูปแต่และก็แต่และท่า น, นก็ไม่ได้อายุยืนบางคนก็ห้าสิบกว่าท่านก็ไปแล้ว 6กสิบกว่าก็ไปแล้วเจดสิบต้นต้นโดยประมาณแปดสิบขึ้นเก้าสิบขึ้นน่อยขวัญจานว่์สท่า น, นพรีก็ห้าสิบต่ตายอย่างคุณแม่บุญเรานั้นก็เจ็ดสิบก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะท่านปูปิ่นเราก็ห้าสิบกว่าทูานปู่สิงหกัตยากรรมัอกเจ็ดสิบนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะนะแต่ชีวิตทันห้าสิบกว่าหกสิบกว่า70็สิกว่าคุมเพราะกระบวนการเรียนรู้ของท่านแต่แต สติลมหายใจโดยว่าท่านวารีท่านชอนานเรื่องนี้อย่างมากเลยจนเกิดปัญญาสุดท้ายนะนี่คือกระบวนการนี้ครัสุดท้ายปัญญาเพาปัญญาคือใจหลักนี่แหละต้องลงที่ใจหักนะครับว่าปัญญาคือวางรูปวางนามนีได้นั่นคือดับแล้วดับได้มากดับได้น้อยแล้วแต่สติปัญญาของตัวเขาแต่ละคนแต่ละท่านแต่กระบวนการทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วการอธิบายขเราจะไม่น่าเบือ่อ มันจะมีที่จิตของเราจะมีที่พิจารณาอีกเยอะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระ บ, บวนการคือถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นจนจบก็เรียกกระ บ, บวนการนี่ชะอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างเช่นชีวิตเราก็เกิดแก่เจ็บตายอยันนี้เรากระบวนการไม่จะเห็นการเกิดอย่างเดียวการแก่ไม่เห็นเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นเนี่ยอันนี้มันจะไม่เรียกว่ากระบวนการเหมือนกับเราใช้กันอยู่นะเวลามันเกิดแก่แฮปีเบอร์เดย์เนี่ยเอาแต่ก็มนเกิดอย่างเดียว แตเวะลาแก่ท่าไม่ฉลองนะเวะลาเก็บได้ไม่ฉลองเนะวะลาตายเลยหมดเลยสรุปง่ายๆฉลองในเดียวคือเกินดนี่แหล <Happy Birthday S 1> นะให้ปีเบิร์ดเดย์เห็นไหมมันเขียนข้อเดียว้ะอีสามตัวเรามองไม่เห็นเนะี่ยคือไม่ให้ความสําคัญเลยเนี่ยนี่เรื่กระบวนการไม่ครบกระบวนการมันจะไม่เกิดปัญญาเออถ้าเราคิดได้อย่างนี้เรืองโออย่างนีน้คือคิดได้ตัวอย่างนี้แล้วปัญญามันเกิดแล้วเริ่องพ้นจากสติ เราใจจะเกิดอะไรอย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญาแล้วถ้าคิดได้อย่างเนี้ยหรืออย่างอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าคิดได้ด้วยตัวเองอย่างนี้เรียกตัวบุคคลนะจนเกิดปัญญาอย่างนี้ได้ก็ให้ลงที่ใจลักสุดท้ายก็จะไม่มีอะไรแล้วว่าใครก็ตามมีเรามีเขาอื่นๆก็โดยสภาวะอย่างนี้เหมือนกันหมดเราจึงเรียกในว่าสามัญญลักษณะเรียกอย่างว่าสามัญญลักษณ ะ, ะ, ญญณะคือสภาพเท่มันียมเสมอกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนชราชาติไหนเือในศาสนาไหนแล้วแต่มันไม่ได้ยิงแยงมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราสอนตั้งแต่เกิดจนตายสอนจนมาให้เรามีตัวมี ต, มตนเลยเนี่ยได้อย่างนี้เราจะไม่เลื่อมใสศรัทธาพุทธเจ้าบังเลยเลยจะไม่ศรัทธาจะไม่เชื่อฟังตามกระบวนการอย่างนี้บ้างเลยทําไมเราไปฟังคนนอกรล่นนอกทางยันผู้ชา้าทีบอกว่า หลปู่เราอยู่เนํานั่ฝากไปเสียดายว่ายังไม่ีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไปเชื่อท่านหลวงปู่จนว่าใชายกว่าพระจันไรยพระที่ปฏปิบัติปฏิบัติเีอยไม่ไ ม, ไ, ไม่ไปไม่ไปหาไม่ไปฟังไปฟังคนคนนี้แต่แต่ท่านก็นยังยังเน็บท้ายหนาบอกว่าอย่างเลกก็ดำตอนนี้ท่านอาจจะเป็นคนจันไรตรงนี้แต่ท่านยังมีโอกาสที่เป็นโปรติกะได้ทุกคน ถ้าปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็จะเป็นผู้ปุชได้ทุกคนถ้าเปลี่ยนได้นะถ้าปรับได้นะแต่ถ้าปรับไม่ได้เปลี่ยนได้ก็ช่ Syl วยไม่ได้ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้คือคําของหลวงปู่เห็นว่าครูอาจารย์สอนนะสอนครบนะท่านมาได้ตําหนินะท่านทั้งชมแล้วก็ตําหนิแล้วก็ให้กําลังใจนี่คือลักษณะของครูบาอาจารย์จริงๆพระนั่งก็ขอเป็นกาลังใจให้เราทุกคนได้ประมาณในชีวิตในวัย เรายังมีโ อ, อกาสยังมีเวลาทำได้ก็หายทำมากนอ้อยไม่เป็นไรขอ้ทำอย่างต่อเนื่องส่วนผลก็มันนั้นมันจะประจักษ์แจ้งด้วยตนเองไม่มีใครให้บอกว่าให้มากแค่ไหนได้มาไม่มีเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนั่นคือปัะจักษ์ตังก็ขอเป็นกำลังใจให้เราทุกคนปฏิบัติตามตามกรัวการอันนี้เราจะเกิดสติแล้วก็ปัญญาในสุด คือผู้ของเราอนปล่อยวางรูปนามธาสีกันห้าเป็นแต่ลักเปยสามมยหลักเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นประการสุดท้ายก็ขอเป็นกลังใจให้พวกเราทุกคนได้พบเจอสิ่งที่ดีดีดีดที่สุดในชีวิตของพวกเราขอขอในมษถุนาสนหรับวันนี้ก็ขออยุดดีไว้เพียงก่อนดี